ทกถาพรมนารทชาดกที่8ดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในสวนตาลหนุ่มทรงปรารบถึงการทรมานอุรุเวละกัสปะตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเป็นพระราชาของชนชาวิเทหรัฐอหุราชาวิเทหหนังดังจะกล่าวโดยพิสดาร ในการที่พระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักอันประเสริฐทรงทรมานฉดินสามคนพี่น้องมีอุรุเวลกัสปะดินเป็นต้นแวดล้อมไปด้วยปุราณชดินหนึ่งพันคนเสด็จไปยังสวนตาลหนุ่มเพื่อพระประสงค์จะทรงเปลื้องปฏิญญาที่ได้ทรงให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเจ้าแผ่นดินแห่งมคธรัฐในการนั้น เมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคตทรัตพร้อมด้วยบริษัทประมาณ12นหุดเสด็จมาถวายบังคมพระทศพลแล้วประทับนั่งอยู่ขณะนั้นพวกพรามขหบดีในภายในราชบริษัทเกิดความปริวิตกขึ้นว่าท่านอุรุเวละกัสปะประพฤิพรหมจันทร์ในพระมหาสามณะโคดม หรือพระมหาสมณะโคดมประพติพรหมจันท ร, ร์ในท่านอุรุเวละกัสปะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกบริษัทเหล่านั้นด้วยพระไทยจึงทรงพระดำริว่าจกต้องประกาศภาวะที่กัสปะมาบวชในสำนักของเราให้พวกนี้รู้จึงตรัสพระคาถานี้ว่า กสปะผู้อยู่ในอุรุเบละประเทศเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินผู้ผอมเพราะกำลังพลดเห็นอะไรจึงได้ละไฟที่เคยบูชาเสียเราถามเนื้อความนั้นกับเธอทำไมเธอจึงละการบูชาไฟของเธอเสียฝายพระเถระก็ทราบพระพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครจะแสดงเหตุจึงกราบทูลว่า ยันทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญกามคือรูปเสียงและรสและสรรเสริญหญิงทั้งหลายข้าพระองค์รู้ว่าของน่ารักใคร่นั้ น, น, นเป็นมณฑินตกอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ได้ยินดีในการเส้นสวงและการบูชาไฟข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันระงับแล้วไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามอง อันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่ในกามาภพมิใช่วิสัยที่ผู้อื่นจะนำมาให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่แปรปรวนกลายเป็นอย่างอื่นเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงและการบูชาไฟรั้นพระอุรุเวลกัสปะกล่าวคาถาเหล่านี้แล้ว เพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นพุทธสาวกจึงทบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตทูลประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดเจครั้งคือครั้งที่หนึ่งสูงชั่วหนึ่งลำตานครั้งที่สองสูงชั่วสองลำตาน ครั้งที่สามสูงชั่วสามลำตาลจนถึงครั้งที่เจ็ดสูงชั่วเจ็ดลำตาลแล้วลงมาถวายบังคมพระตถาคตนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมหาชนเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระศาสดาว่าน่าอาจจัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากแม้ท่านพระอุรุเวละกัสปะ ชื่อว่ามีความเห็นผิดที่มีกำลังถึงอย่างนี้สำคัญตนอยู่ว่าเป็นพระอรหันตถาคตก็ทรงทำลายข่ายคือทิฏฐิทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายการที่เราถึงซึ่งสัพพัญยุตยานทรมานอุรุเวละกะสัส ป, ปะนี้ในบัดนี้ ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับครั้งก่อนแม้ในเวลาที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะเป็นพรมชื่อว่านาระทะทำลายข่ายคือทิฐิของเธอกระทำเธอให้หมดพยศดังนี้แล้วทรงนิ่งอยู่อันบริษัทนั้นกราบทูลอาราธนาจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ ในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอังคติราชเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลามหานครณวิเทหราชพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาพระองค์มีพระราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางรุจาราชกุมารีมีพระรูปโฉมสวยงาม ชวนดูชวนชมมีบุญมากได้ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้นานถึงแสนกับจึงได้มาเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระราชาส่วนพระเทวีนอกนั้นของพระองค์ 1.6 ึ่งคนได้เป็นหญิงหมันพระนางรุจาราชกุมารีนั้นจึงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ยิ่งนัก พระองค์ได้ทรงจัดผ้าเนื้อละเอียดอย่างยิ่งหาค่ามิได้พร้อมกับพะอบดอกไม้25พสหอบอันเต็มไปด้วยบุบผาชาตินาน า, นาชนิดทรงไปพระราชทานพระราชธิดาทุกทุกวันด้วยทรงพระประสงค์จะให้พระราชธิดาทรงประดับพระองค์ด้วยของเหล่านี้และของเสเวยที่จัดส่งไปประทานนั้นเป็นขาธิียาและโภชญญาอันหาประมาณมิได้ ทุกกึ่งเดือนได้ทรงพระราชทานทรัพย์ 1,000 พนกะหาปณะนะโดยตรัสสั่งว่าส่วนนี้ลูกจงให้ทานและพระองค์มีอามาตย์อยู่สามนายคือวิชยะอามาตย์หนึ่งสุนามะอามาตย์หนึ่งลาตะอามาตย์หนึ่งครั้นถึงคืนกลางเดือน12ดอกโกมุตบานเป็นเทศกาลมหรสบ มหาชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานไว้อย่างตราการปานประหนึ่งว่าเทพนครพระเจ้าอังคติราชเข้าโสดสงทรงรูปไล้พระองค์ประดับเครื่องราชอลังการสเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเสด็จประทับนั่งเหนือราชอาณจรบนพื้นปราสาทใหญ่ริมสีหบัญชรชัยมีหมู่อามาตยแวดล้อม ทอดพระเนตรดูจันทนทนอันทรงกรดหมดราคีลอยเด่นอยู่ณพื้นคักขนาดอากาศจึงมีพระราชดำรัสถามเหล่าอัมมาศว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายราตรีอันบริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมหนอวันนี้เราพึงเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดีพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นได้ตรัสว่า พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอังคติเป็นพระราชาของชนชาววิเทหรัฐทรงมีพระราชยานพระราชทรัพย์มากมายทรงมีพนิกายเหลือที่จะนับก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองดอโกโกมุดบานยังไม่ถึงปฐมยามพระองค์ประชุมเหล่าอำมาต ร, ราชบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียนฉเฉลียวฉลาด ผู้ที่ทรงเคยรู้จักทั้งอำมาตผู้ใหญ่อีกสามนายคือวิเชยะอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตเสนาบดีแล้วตรัสถามอำมาตย์ตามลำดับว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวไปตามความพอใจของตนของตนว่าในวันเพ็ญเดือนส2องเช่นนี้แล้วแสงจันเดือนงายแจ่มกระจ่างกลางคืนวันนี้ เราทั้งหลายพึงยังรดดูเช่นนี้ให้เป็นไปด้วยความยินดีอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีพระราชยานมากมายปะหูตะโยโคได้แก่พระองค์ประกอบด้วยพลช้างเป็นต้นมากมายคำว่าทรงมีพลนิกายเหลือที่จะนับอะนันตะพละโปริโสได้แก่ พระองค์มีพนโยธามากมายเหลือที่จะนับคำว่ายังไม่ถึงอะนาคเตได้แก่ยังมาไม่ถึงคือยังไม่ล่วงถึงที่สุดคำว่ากลางเดือนสิบสองจาตุมาสาได้แก่ในราตรีอันเป็นวันสุดท้ายแห่งเดือนอันมีในฤดูฝนสี่เดือนคำว่าดอกโกมุตบานโกมุทิยาได้แก่ ดโกโมุตบานสะพรั่งคำว่าผู้ที่ทรงเคยรู้จักมิตะปุปเพความว่าผู้มีปกติกระทํายิ้มแย้มก่อนแล้วกล่าวในภายหลังคำว่าตรัถามอมาตตามลำดับตะมนุปุชิความว่าตรัถามตามลำดับกับอมาตแต่ละคนในบรรดาอมาตสามคนเหล่านั้นข้อว่า ท่านทั้งหลายจงกล่าวไปตามความพอใจของตนของตนปัจเจกังพรุทะสังรุจิงความว่าพวกท่านทั้งหมดจงแสดงเรื่องที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนของตนอันน่าชอบใจของตนแต่ละอย่างแก่เราคำว่าโกมุทัชชาแสงจันตัดบทเป็นโกมุทีอัชชะคำว่าเดือนหงาย ชุนหังความว่าดวงจันทร์อันมีในคืนเดือนหงายโผล่ขึ้นแล้วคำว่าแจ่มกระจ่างพยะปหะตังตมังได้แก่แสงจันทร์นั้นกำจัดความมืดทั้งปวงเสียได้คำว่าฤดูอุตุงความว่าพระราชาตรัสถามว่าวันนี้เราจะยังราตรีคือฤดูเห็นปานี้ ให้เป็นอยู่ด้วยความยินดีอย่างไรเนอะลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามพวกอมาตะทั้งหลายอมาตะเหล่านั้นถูกพระองค์ตรัสถามแล้วกราบทูลถ้อยคำอันสมควรแก่อัตยาสัยของตนของตนพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นอลาตะเสนาบดีได้กราบทูลแด่พระราชาว่า ขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายพึงจัดพลช้างพลมา้าพลเสนาผู้กำลังร่าเริงจะนำชายชะกันออกรบพวกใดยังไม่มาสู่อำนาจข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะนำมาสู่อำนาจนี่เป็นความเห็นของข้าพระองค์เราทั้งหลายจะได้ชัยชนะผู้ที่เรายังไม่ชนะขอเดชะขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยการรบ นี้เป็นเพียงความเห็นของข้าพระองค์สุนามะอามาตได้ฟังคําของอาลาตะเสนาบดีแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาพวกศัตรูของพระองค์มาสู่พระราชอานาจหมดแล้วต่างพากันวางศัตรายอมสวามิพักแล้วทั้งหมดวันนี้เป็นวันมหรสศพสนุกสนานยิ่งข้าพระองค์ไม่ชอบใจการรบ ชนทั้งหลายจงรีบนาข้าวน้ำและของควรเคี้ยวมาเพื่อพระองค์เถิดขอเดชะขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยกามคุณและการฟ้อนรำขับร้องการประโคมเถิดพระเจ้าค่าวิเชยะอมาตได้ฟังคำของสุนามะอมาตแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้ว การทรงเพลิดเพลินด้วยกามาคุณทั้งหลายพระองค์ทรงหาได้โดยไม่ยากเลยทรงปรารถนาก็ได้ทุกเมื่อการรื่นรมด้วยการมาคุณทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของข้าพระองค์วันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพรามผู้เป็นพหูสูตรรู้แจ้งอัตธรรมผู้สแสวงหาคุณซึ่งท่านจะพึงกำจัดความสงสัยของพวกเราดีกว่า พระเจ้าอังคติราชได้ทรงสดับคำของวิชยะอามาตย์แล้วได้ตรัสว่าตามที่วิชยะอามาตย์พูดว่าวันนี้เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาสมณะหรือพรามผู้เป็นพหูสูตรรู้แจ้งอัตธรรมผู้สแสวงหาคุณซึ่งท่านจะพึงกำจัดความสงสัยของพวกเรานั้นแม้เราก็ชอบใจ ท่านที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านจงลงมติว่าวันนี้เราทั้งหลายควรจะเข้าไปหาใครผู้เป็นบัณฑิตรู้แจ้งอักธรรมผู้สแสวงหาคุณซึ่งท่านพึงกำจัดความสงสัยของพวกเราได้อลาตะเสนาบดีได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่า มีอะเจละกะที่โลกสมมุติว่าเป็นนักปราดอยู่ในมรึคทายวันอเจละกะผู้นี้ชื่อว่าคุณะผู้กัสปะโคตเป็นพหูสูตรพูดจาไพาระเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะขอเดชะเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านท่านจักกำจัดความสงสัยของเราทั้งหลายได้พระราชาทรงสดับคำของอ阿าตะเสนาบดีแล้ว ได้ตรัสสั่งสารถีว่าเราจะไปยังมรึกขทัยวันท่านจงนำยานเทียมมามาที่นี่คำว่าผู้กำลังร่าเริงหัดถังได้แก่ยินดีร่าเริงคำว่าได้ชัยชนะโอชินามะเสความว่าพวกเราจะเอาชัยชนะผู้ที่พวกเราไม่ชนะนี้เป็นอัธยาศัยของเราแล พระราชาทรงได้ฟังถ้อยคำของท่านไม่ทรงคัดค้านไม่ทรงยินดีคำว่าได้กราบทูลเอตทะทับพระวิความว่าสุนามะอมาตได้เห็นพระราชาผู้ไม่ทรงยินดีไม่ทรงคัดค้านคำของอาลาตะเสนาบดีคิดว่าพระราชานี้ไม่ทรงมีอธัธยาศัยในการรบเราจะจับเอาความคิดของพระองค์ แล้วจากสรรเสริญความยินดียิ่งในการมคุณจึงได้กล่าวคำนี้มีอาธิว่าของพระองค์หมดแล้วสัพเพตุยหังคำว่าวิชยะอมาตได้กราบทูลวิชโยเอตทัทพปรวิความว่าพระราชาทรงสดับคำของสุนามะอมาตแล้วก็ไม่ทรงยินดีไม่ทรงคัดค้าร ลำดับนั้นวิชยะอมาตจึงคิดว่าพระราชานี้สับคําคำของท่านทั้งสองนี้แล้วได้ประทับนิ่งอยู่ทีเดียวธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเป็นนักฟังธรรมเราจะสรรเสริญการฟังธรรมแก่พระองค์จึงกล่าวคำมีอาธิว่ากามคุณทุกอย่างสัพเพกามาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าบําเรอพระองค์ ตะัวะมุปติตาได้แก่บำรุงบำเรอพระองค์คำว่าการทรงเพลิดเพลินโมหิตุงความว่าเมื่อพระองค์มีความปรารถนาจะบันเทิงยินดียิ่งด้วยการมคุณพระองค์จะได้การมคุณเหล่านี้โดยไม่ยากเลยข้อว่าการรื่นรมด้วยการมคุณทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของข้าพระองค์ เนตังจิตตะมะตังมะมะความว่าชื่อว่าความอภิรม์ด้วยกามคุณของพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นมติแห่งความคิดของข้าพระองค์ความคิดของข้าพระองค์มิได้มุ่งไปในข้อนั้นคําว่าโยนัชชะตัดบทเป็นโยโนอัตชะคาว่ารู้แจ้งอัตธรรมอัถธรรมวิทูได้แก่ รู้ซึ่งอัดแห่งบาลีและธรรมแห่งบาลีคาว่าผู้สแสวงหาคุณอิเสได้แก่ฤาษีคือผู้มีคุณอันสแสวงหาแล้วคําว่าอังคติมัพภะวิพระเจ้าอังคติราษได้ตรัสตัดคําเป็นอังคติอัภพะพวิข้อว่าแม้เราก็ชอบใจไม่หังเจตังวรุจติ ได้แก่แม้ข้าพเจ้าก็ชอบใจข้อนั้นเหมือนกันคำว่าท่านที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านสัพเพวะสันตาความว่าพวกท่านทั้งหมดมีอยู่ในที่นี้จงกระทาคือจงแสดงความคิดเห็นข้อ ว, ว่าอลาตะเสนาบดีได้กราบทูลอลาโตเอตะทัพพรวิความว่าอลาตะเสนาบดี ฟังพระดํารัสของพระราชานั้นแล้วคิดว่าอาชีวะกะผู้ชื่อว่าคุณะผู้เข้าสู่ตระกูลของเรานี้อยู่ในราชอุทยานเราจะสรนเสริญอาชีวะกะนั้นกระทําให้เป็นผู้เข้าถึงรา ช, ชตระกูลจึงได้กล่าวคํานี้มีอาธิว่ามีอัฏฐางคําว่าที่โลกสมมุติว่าเป็นนักปราดธีระสัมมโต ได้แก่สมมุติว่าเป็นบัณฑิตคำว่ากัสปะโค ต, ตายังอเจละกะผู้มีผู้กัสปะโคด ต, ตัดบทเป็นกัสปะโคตตโตอะยังคำว่าเป็นพหูสูตรสุโตได้แก่เป็นผู้ได้ฟังมามากแล้วคำว่าเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะคะนีได้แก่เป็นครูของหมูคณนะ คำว่าได้ตรัสสั่งโจเทสิได้แก่ได้สั่งบังคับแล้ว